พยายามรู้สึกตัวนะใจให้มันตื่นตื่นต่นโเว้นเวลาที่ต้องการพักเท่านั้นแหละเวลาที่เหลือนะปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาอย่า ง, งัวงเงียซึมซมึไม่ดีจิตมันเคยชินจะสลบสลดมันก็สลบสไลด์เรื่อยเรเราเวลาทำสมาธิเรายิ่งชอบไปทำให้มันเคลิมยิ่งแย่ใหญ่เลย งั้นเวลาเราจะทาสมาธิถ้าทำด้วยใจที่รู้สึกตัวไม่ให้เคลิมหลวงพ่อตันเจ็ดขวบหัดสมาธิตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็ทำหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไม่ได้น้อมใจให้เคลิม้มจิตรวมรวเร็วนี่เราไม่เป็นสว่างขึ้นมานะเราก็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 รู้สึกตรงนี้ดีสงบดีนะก็หายใจเอาเคลิมหลังจากนั้นพอเริ่มหายใจก็เคลิมเลยพวกเราเป็นไหมเริ่มทำเนี่ยยังชำนาญอยู่เลยนะท่านเนี้ย <c oughs> ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องออกไปเที่ยวก็ไม่ได้เรื่องนะไปน้อมใจเคลิมคล้มๆอยู่ก็ไม่ได้เรื่องคราวเนี้ยใหม่นั่งไม่ให้เคลิม้มนั่งแล้วหายใจแร ง, แรง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 ไม่หย่อนจนกระทั่งเคลิมไปไม่ไหลออกข้างนอกจนเที่ยวออกไปข้างนอกจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่หลักของการทำสมาธิหลวงพ่อไปเทศที่เชียงใหม่นะที่นิ่มซี่เสิยงคนเขาชอบทำอนาปนาสติเลยสอนเรื่องอนาปนาสติเขานะ อนาปนาสติเนี่ยเป็นสุดยอดกรรมฐานเลยจนถึงขนาดที่อาจารย์อภิธรรมบางท่านเนยยกให้เลยว่าอนาปนาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษมหาบุรุษมือระดับพระพุทธเจ้าเล่นได้กว้างกวางมากเลยอนาปนาสตินะ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 จิตมีความสุขจิตค่อยสงบพอจิตค่อยสงบขึ้นมาเนี้ยลมหายใจจะตื้นตื้นตื้นขึ้นนะหายใจน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันจะหายใจสั้นๆหายใจอยู่ที่ปลายจมูกเท่านะั้นเองไม่ได้หายใจลงไปถึงท้องถึงสะดือถึงหน้าอกอะไรอย่างเงี้พวกภาวนาไม่เป็นถ้ามาหัดเริ่มหายใจนะจะหายใจไปที่หน้าอกคนหายใจเป็นจะหายใจไปลงไปที่ท้องนะแปลกไหม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 ที่แรกหายใจมันจะลงไปลึกหนะหายใจไม่เป็นก็ลึกไประดับหน้าอกหายใจเป็นก็ลึกลงระดับท้องพอจิตเริ่มรวมจิตเริ่มสงบนะหายใจมันจะตื้นขึ้นมาจะสั้ น, ส, นสั้นขึ้นมาเหมือนมาอยู่ที่จมูกนะนะั่นเองพอมหายใจขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยนะจิตจะสว่างขึ้นเรื่อยๆจะสว่างอย่างเรากำหนดเนี้ยนะยก็สว่างขึ้นมาละตรงที่จิตสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ย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 ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่าไปตามมันไปให้จิตเป็นคนดูแสงไหมจิตอย่าถล่มเข้าไปในแสงพอจิตเป็นคนดูแสงเนี่ยนะจิตมันชํานี้ชํานานขึ้นมาสติระลึกรู้ที่แสงสว่างนะเรียกว่ามีวิตกมิตกก็คือการที่จิตเนี่ยไปตรึกอยู่ในแสงสว่างวิจารเนี่ยคือจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างได้ยินคาว่าวิตกวิจารณใช่ไหม เราชอบไปคิดว่าวิตกค็คิดคิดไปเรื่อยๆวิจารก็คือวิภาควิจารน์่นคนไทยออามาใช้หรอกวิตกก็คือการที่จิตมันตรึกในอารมณุมันจับเข้าไปที่ตัวอารมณ์นะวิจารนี่มันเคล้าเคลียอยู่กับตัวอารมณ์พาจิตมีวิตกมีวิจารอยู่นะปีติมันเกิดนะแต่ตรงนี้มันชำนานก่อนจะมีปีติมีอะไรขึ้นมาได้นะจิตมันชนานาญในสมาธิขึ้นมาแนละ้ว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 ทิ้งวิตกทิ้งวิจารณ์ไปสติระลึกรู้ปีติปีติมันโลดผลุนในขณะที่มีปีติในความจริงก็มีความสุขด้วยนะแต่ว่าปีติมันฉูดฉาดสติจะไปเห็นปีติก่อนพอสติระลึกรู้ปีติปีติจะดับนะความสุขก็เด่นขึ้นมาความสุขมันเด่นมันคล้ายๆนะปีติมันหยาบกว่ามัชวนให้ดู เมื่อเราไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนะเราก็เลือกมาอย่างดีแล้วมาซื้อมาเราพบว่ากลับมาบ้านเราพบว่ามันมีรูอยู่นิดหนึ่งมันไปเกี่ยวอะไรขาดอยู่นิดหนึ่งเราไม่ดูเสื้อทั้งตัวละเราจะเวียนดูไอ้รูที่ขาดนึกออกไหมเพราะมันเร้าใจกว่าเวลาปิติเกิดก็แบบเดียวกันนะไปดูปิติไม่อยากดูความสุขอะความสุขก็มีอยู่ในขณะที่มีปิติแต่ไม่ดู พอปิติดับไฟมันเห็นนะปิติเป็นของวื่อวาปิติดับไปนะจิตก็มีความสุขขึ้นมาความสุขก็เด่นขึ้นมาดูลงไปที่ความสุขความสุขก็เป็นของวือวาอีกมันก็เป็นอุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาตรงที่วิตกวิจาร์ดับไปนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพราะในฌานที่สองจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วตรงนี้ถ้าทาอนาปนสติจนได้ฌานนะ กอจะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาตั้งแต่ฌานที่สองสามสี่จะมีตัวผู้รู้นะแล้วก็ถ้าดูจิตต่อไปเรื่อยก็จะเข้าอารูปไปจะไม่จัดเป็นอนาปนสติแล้วก็เข้าอารูปต่ออันนี้เป็นวิธีใช้อนาปนสตินะทาให้เกิดฌานในฌานนั้นนะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา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 เห็น ไ, ไหมธรรมารนาปนาสติทําได้หลายอย่างนะเป็นสมถะแบบเหลวไหลก็ได้ตึงไปก่อนไปแล้วก็ฟุ้งซ่านออกไปเลยทาสมาธิให้เกิดอุปจารสมราธิก็ได้ตรงนี้นิมิตเกิดอยากรู้อยากเห็นเลยบางทีหลอกๆจิตมันหลอกเอาก็ได้จริงบ้างเท็จบ้างแต่ตรงที่เคลิมเคลิมไหลออกไปนะเชื่อไม่ได้ถ้าไม่หลงตามนิมิตนะ คอยดูสภาวะใจมันจะผุดความคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ไหวๆปั๊บปั๊บปขึ้นมาน ะ, ะหายหายไปเดี๋ยวไหวปั๊บปหายไปเราก็แค่รู้อยู่เนี้ยเราเดินปัญญาอยู่นะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดนะี้ดับทั้งสิ้นนี่เดินปัญญาอยู่ในอุปจารสมาธิพวกเราคนไหนทําตรงนี้ได้บ้างที่เรานั่งอยู่แนละ้วเราเห็นมันไหวๆปั๊บปั๊ บ, บปมันยังไม่ได้เข้าชานนะตรงเนี้ยจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป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 ลงมา2ขึ้นไป3าใหมนะ่ออกมา1ใหม่ก็ได้นะพลิกไปพลิกมาได้แต่ไม่ว่ามันจะพลิกยังไงนะองค์ชานมันไม่เหมือนกันมันทําให้ฌานแต่ละฌานไม่เหมือนกันการที่เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงขององฌานเนี่ยตัวนี้แหละเป็นการเดินปัญญาในสมัครทีในฌานเดินปัญญาอยู่ในฌานต่างกับเดินปัญญาในอุปจาระนะอุปจาระจิตมันผุด มันยังคิดอยู่มันผุดๆุดขึ้นมานะเราคอยรู้ทันสิ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปเห็นไหมทาอนาปนานสติแล้วมาเดินปัญญาในสมาธิก็ได้ถ้าทำไม่ได้อีกจะทำยังไงทำอนาปนานสติแล้วเจริญปัญญาไปเลยนะไม่ได้เข้าสมาธิหรอกแค่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่พวกนี้อุปจาระก็ไม่เข้านะอปนาคือเข้าฌานก็ไม่เข้า แค่เราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนี่อาณาปณะสติอย่างนี้ก็ยังดีอาณาปณะสติตรงนี้น่ะที่เรืียกว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ใช่มีสติอยู่กับลมหายใจถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจน่ะลมหายใจจะเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแล้วจะเข้าฌานไปล้วมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ย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 แล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูบางคนก็ใช้วิธีนี้แยกได้บางคนก็สังเกตดูว่านี่ก็ถูกรู้วันนี้ก็ถูกรู้ลมหายใจก็ถูกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้เห็นนี้ก็แยกได้มีหลายอย่างเห็นไหมกรรมฐานนะ่ะมันหลากหลายมากนะงั้นเวลาภาวนาถ้าไม่เรียนดีๆนะมั่วซั่วง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 กิเลสหลอกออกไปไม่ใช่ปัญญาจริงหรอกนี่ทำอนาปนาสติแล้วดูจิตก็ได้นะกรรมฐานนี่กว้างเห็นหทำสมาธิได้ทุกแบบเลยนะจนถึงเข้าอารูปนะแต่ตรงอรูปเนี่ยทิ้งเรื่องลมไปแล้วเข้าไปดูจิตต่อถ้าเข้าอารูปไปทใช้ปัญญานาสมาธิก็ได้นะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้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 จิตกุศลก็ไม่เที่ยงจิตอกุศลก็ไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยเนี่ยแหละเดินปัญญาแล้วโดยจิตจะเห็นอ น, นิจจังง่ายนะจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเร็วมากเลยนั่นานาคณนสตินะั้นทได้สารพัดเลยสารพัด น, นัน่นอนาปณนสตินะัเป็นกรรมฐานครอบโลกเลยกว้างขวางมากเลยนะถ้าชำนิชำนานาอนาคานสตินะพลิกแฝงได้สารพัดเลย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 มันสว่างขึ้นมาแล้วเป็นกระสินแสงเล่นกระสินได้หลายตัวงั้นได้นานาปัญสติก็มีฤทธิ์ได้นะเพราะมีกระสินทั้งหลายตัวหมดเวลาแล้วไปจนเวทานข้าว